ในตอนที่ประเวศสันดรท่านตีค่าตีราคาของลูกชายลูกสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มอบลูกนี้ให้แก่ชูชกพระเวศสันดรมือซ้ายก็จับแขนของลูกมือขวาก็หลังน้ำทักซีโนโทปปกปรากฏลงบนมือของชูชกและก็บวิสาธุด้วยเดชแห่งการให้ลูกนี้เป็นทาน ขอให้เป็นปัจัยแก่พระนิพพานในอนาคตกางเบื้องหน้านุนเถินเราให้สิ่งที่เรารักเพื่อแรกเอาสิ่งที่เรารักและปาถนาที่สดหล่งลงไปแผ่นดินวาดวันไว้เขาสเสนนุราช ส, าสันสะเทือนพวกเทพเจ้าเหล่าเทวาในป่าเขาลำนาวไพลไพลก็โปรยข้าวตอกดอกไม้แส้ซองสาธุ ก, การในกุศลเจตนาการครั้งนั้นการทบุญแต่ละครั้งพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิบา ง, บาง คังก็อดไม่ได้ด้วยจะสาถุการเพราะนั้นจะมีคาว่าสเพเทวาอนุโมทันตุเทวดาทั้งหมดทั้งปวงก็พากันแฝรซ้องสาถุกการกุมารบั้นต้นมันก็ผ่านไปแล้วก็เข้าสู่กุมารบั้นปลายกุมารบั้นปลายก็เล่าตอนที่ชูชกได้ผูกเอากันหาชาลีแล้วก็ชุดกระชากลากไปตอนหน้าของพระเวสสันดรแล้วก็ตเ่เขียนไปตอหน้าแล้ว พระเวสสนดรได้มองตามหลังของาโอรสและธิดาลูกชายและลูกสาวที่ถกชูชกเนี่ยกระชากลากจูแล้วก็ะเคี้ยนตีไปต่อหน้าเด็กทั้งสองคนก็ร้องไห้ปานเป็ดึงหัวใจจะแตกสลายร้องเรียกให้พ่อช่วยคุณพ่อช่วยด้วยเพราะว่า <c oughs> ตาแก่นี่มันจะคนผียาวลูกไปกินพระเวสสนดนเรเผลอไปก็เลื่อมองมือก็ คว้าไปเอาคันสอนลืมองค์พูดออกมาแลยว่าพูดกับตัวเองว่าแม่ไอ้พามชั่วช้าหีรโหดโฉดชฉไหนเรามาอยู่ปลาดงพองไผมาแต่ตัวก็หาไม่แต่โนสินสอนใช้ก็ถือมามาตีลูกแต่หน้าพ่อมาตีปลาตอนหน้าใช้เราคงทนไม่ได้คว้าเอาคันสอนหวังจะฟาดชูชกให้ขาดกลางวิญญาณของพ่อได้วิ่งเข้ามาสู่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 วางลงแล้วก็พูดเตือนตัวเองว่าเวสันดอนโครงการอะไรของเจ้านั่นไม่ใช่เรื่องของเจ้ามันเป็นเรื่องข้ากับเจ้าบ่ากับนายเขาจะตีจะเคียนกันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเมือ่อหันมีสติอย่างนี้แล้วก็วางขันสนหลงสาธุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นศกเป็นศพเธอสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทั้งไข่ของมันพูดถึงความเมตตาปาณ น, นี้บางทีมันก็แสดงออกมาในลักษณะที่กลิยวกลาดคือเมตตาจนทนไม่ไหวจนอยากจะเทนจะฆ่าสิ่งอื่นที่มาเบียดเบียนสิ่งที่เรารักเขาเมตตานี่ถ้าหากมันไมมีมันมีความกำหนัดอยู่ภายในมันกลายเป็นเป็นราคะไปมันไม่ใช่เมตตาไปทั้งนั้น ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในเมตตาธรรมนี้จึงต้องมีกรุณามีมุทิตาและยังมีอุเบกขาคอยกำกับไว้ข้างหลังเพื่อจะไม่ให้เมตตาทีกลายเป็นโทษเป็นภัยเมตตาคนนี้จะเกลียดชังอีกคนอื่นที่เขาจะมาทำทาร้ายคนที่เรารักคนที่เราเมตตาจนกับมีขนาดว่าผู้ข้อต่อแขนผีเดี้ยวมาให้ตาผีแตกมากระเตกกูจะแดกตาผีผีเบียดให้ผีตายคนเบียดให้คนตาย ว่าไปนะดาเข้าไปอีกทั้งทั้งที่หวังดีต่อคนนี้แต่หวังร้ายตัวเองคนอื่นอืชูชกก็หายลับไปกับตาพระเวสสันดรก็นั่งลํำพึงลําพันในขณะเดียวกันนั้นเองเราก้าวเข้าสู่ตรงนี้แล้วมันก็น่าจะพูดถึงเรื่องนางมัตถีไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันตะวันจวนจะพบคัมนะชูชกแกไม่ฟังเสียงเราคัมมือแค่ไหนแกก็ต้องรีบไปนางมัตถีนั้น ตั้งแต่ออกจากบ้านจิตใจของเธอไม่ได้อยู่ในป่าในดองเป็นลืมหน้าลืมหลังตามมืดตามมวแล้วก็หูอื้อทั้งสองข้างรู้สึกว่าบรรยากาศทั่วทั้งชิมวันตบันทศก็มืดกลุ่มเป็นควันเป็นหมอกผล พ, พลามาหากไม้ที่เคยหาได้ก็ขาดแทนหมู่วีหกนกกาที่เคยร้องกันเป็นหมกูกกินผลหมากล่ากไม้ก็เงียบสนิทแตนไม้ที่เคยเป็นหมากสุก โยไปเห็นก็มันร่วงลงวัดแล้วซึ่งกําลังสุกเมื่อวานนี่หาได้หยกหยกไปวันนี้ก็เป็นดอกใหม่ขึ้นมาซอนมันเป็นอะไรอย่างนั้นนางได้นิดหน่อยคิดว่ายัางไงยังไงพอให้เ ด, ด็กลูกเด็กกินแล้วก็พอให้ได้จังหันถาวายเพราะเหตุสันดอนฤาษีในวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วนางก็รีบกลับในขณะที่นางรีบกลับนั้นนางก่อได้ไปพบกับสัตว์สามตัว ในการมาทีนี้มีเก้าสิบพระคาถาก็ไม่ใช่เบาเมือ่อนิยาวสัตว์สามตัวเสือโครงเสือเหลืองและก็หราตเสืีนอนขวางทางระหว่างเขาที่จะเป็นช่องเขาจะเดินเข้ามาที่คิริวงกฎนี้แล้วก็คำรามร้องหนะ้าสะพึงกลัวยิ่งนักนางตกใจจนถึงขนาดว่าหาพอหลุดออกจากบ่ากระจัดกระชายไปหมดเลยสัตว์เหล่านั้น ก็อยู่แต่ละ น, นอนคํารามจ้ะนางจะไปทางไหนเสียงนี้ก็คํารามร่ันมันไม่มีทางไปขุนเขาสูงชะงกชันแล้วมันก็จะมีทางไปเพียงแค่นั้นมันเป็นช่องเขานาวหวาดกลัวยิ่งนักทั้งคิดถึงลูกทั้งหวาดกลัวทั้งหมดนั้นคือเรื่องของเรื่องเทวดาทั้งหลายได้จําแรงแปลงร่างมาเป็นสัตว์สามตัวนี้เพื่อจะกันก้นกลางไม่ให้นางรีบกลับไปถึงอาสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือของเวลาให้พระเวสสันดรได้ให้ทาน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 หมวิหกนกกากับสู่รวงรังนางคิดถึงลูกมากเลยป่านนี้การหาชารีคงจะรอคอยการกลับมาของแม่คงจะคอยทางเนาะคิดถึงลูกมากเท่าไหร่ก็ลืมตัวเองมากเท่านั้นคิดอยู่อย่างนั้นป่านนี้ลูกคงจะหิวใครเนาะจะอาบน้าให้ใครเนาะจะหาอาหารให้กินนางคิดถึงอยู่อย่างนี้แต่แล้วเป็นนันว่าการที่นางไปไม่ได้เพราะหา มีความหวาดกลัวต่อสัตว์ทั้งสามตัวตะวันตกด็นแล้วเดือนพระจันทร์วันเพ็ญก็พอกขึ้นมาลวงดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่งประกายวาวับพ่อพอให้มองเห็นเงาตะคุ่มต ะ, ะคุ่มใต้เ ง, งาแห่งแมกไม้แต่สัตว์ทั้งสามตัวนี้ก็ยังไม่จากไปยังนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คำรามรั่นสุดท้ายนางก็เลยนึกขึ้นได้นั่งลงพนมมือกราบไหว้บอกว่าขอให้เทพไทยใน ป่ากเขาลำเนาไพรได้เป็นสักขีพยานได้มองเห็นเหตุการณ์นี้หม่อมชั้นมันทีจากบ้านศรีพีเชตุดอนตามเสด็จพี่มาสู่ป่ากเขาลำเนาไพรนั้นไม่ได้หวังอื่นใดเพื่อจะช่วยสามีสุทธิรักสร้างสันโพธิานไม่ได้มีจิตใจอื่นใดนอกจากความซื่อสัตย์จงรักภักดีถ้าหากข้าพเจ้ามัตีได้มีความชั่วในใจแม้เพียงน้อยนิด มีความคิดทุจริตวิปริตออกไปจากคำนองของธรรมไม่เป็นผู้หญิงที่มีคุณงามความดีต่อลูกต่อผัวขอเชิญเทพไทยทั้งหลายในป่าเขาลำนาวไพรลูกขัดเทวานทั้งหลายได้เป็นสักขีพยานจงได้ดนบันดาลให้สัตว์ทั้งสามตัวนี้ได้กินข้าพเจ้าเป็นอาหารข้าข้าพเจ้ามีความชั่วถ้าหาความดีของข้าพเจ้ายังมีอยู่ดังได้อธิษฐานใจเทเตในสัจวัชเชนะลุยสัจวาจานี้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 ท่านทงหลายลําคิดดูเถิดคําว่าสัจวาจากความสัตย์จริงอันมีปณิธานแล้วในใจท่านจงตั้งไวเ้เถิดคุณงามความดีที่ทําไว้แล้วประมวลมาเมื่อเวลาเข้าตากจนให้คิดถึงอาดามานี่เคยใช้ในสมัยอยู่ต่างประเทศรถเสียอยู่กลางทะเลสายรถชาวบ้านรถแขกรถฝรั่งพ่านมาบอกคันในมันก็ไม่อยู่เพราะเขาไม่มีรถโดยสารบ้าน เมือง น, นั้นต้องการจะขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆไม่ได้เลยอยู่กลางทะเลสายน้ํากินก็ไม่มีแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอเรานี่เคยสร้างแต่คุณงามความดีตั้งแต่เราโยมเมืองไทยเรามีรถเมล้าวิ่งไปเห็นคนเดินตามทางนี่เราจอดรับเชิญเขาขึ้นโดยเขาไม่ได้บอกเลยสงสารเห็นเขาเดินอยากให้เขาขี่ด้วยเพราะเราก็เปืองน้ํามันเท่ากันเห็นพระสององค์เจ้าเรายิ่งมีความศรัทธารับพระสององค์เจ้าไป แต่วันนี้เราเข้าตาจนจะไม่มีใครรับเราบ้างหรือคุณงามความดีที่ได้กระทํามาสาทุก ข, ขอคุณงามความดีนั้นจงปรากฏขอสจวาจานี้จงสำริดผลรถคันใดคันหนึ่งมานี้ขอให้ได้จอดอธิษฐานใจเสร็จอยู่กลางทะเลใส่นะยังไม่ได้บอกซ้าเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมาจต่ไก่เรามายืนกําลังจ้องดูว่ารถคันเนี้คนขับเป็นฝรั่งหรือเป็นแขกหรือเป็นคนชาติไหน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 อดีเหลือเกินเนี่ยะคุณงามความดีไม่สุนหายไปไหนหรอกยมเหมือนกับนางมัธย์เมื่อนางเข้าตาจนเขาจริงๆก็อธิฐานใจเอาคุณงามความดีนี้แหละมาเป็นบรรทัดฐานทหารข้าพเจ้าหม่อมฉันนี่ไม่มีอะไรดีเลยก็ขอให้สัตว์ทั้งสามนี่กินเสถอ์ทหามีความดีอยู่บ้างก็ขอให้เลี่ยงทางให้ด้วยว่าแล้วสัตว์ทั้งสามก็จากไปนางก็รีบทันทีเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ รีบเลยคิดถึงลูกมากเท่าไรก็ลืมตัวเองมากเท่านั้นวิ่งบั่งเดินบัางป่านจะนี้กันหาชาลีลูกแม่จะมีตั้งตารอคอยพากันมองต้นทางคอยแม่แล้วลื้อใครแล้วหนจะอาบน้ำป่านนี้คงจะพากันหิวข้าวแล้วก็คงจะรบกวนพระบิดาพระบิดาก็คงจะทำความเพียรนั่งอยู่ในอาสมลูกเต้าก็คงจะไปแอลไปวอนความวิตกห่วงใจทาให้พานาง นั้นถึงอาสมด้วยพระอาการเหนื่อยหอบทั้งวิ่งหน้าตาหมดมองสบตาลายเพราะไม่ได้กินข้าวมาแต่เช้าแต่แล้วก็ใจหายเมื่อพบว่าบริเวณอาสมเงียบเงาลูกน้อยที่ทรงคิดว่าจะนั่งชะแงะและคอยก็มองไม่เห็นรีบเสด็จเข้าไปในอาสมของตนเองไปค้นที่อยู่ของตนเองตัดเรียกชาลีลูกแม่ค้นหาลูกแม่ไปไหนเธอร้องเรียกหาลูกของเธอ สุดเสียงก็ไม่พบไม่มีเสียงขานรับเลยแม้แต่น้อยตรงไปยังอาสมของพระสามีเฝ้าทูลสักามพระบรมราชลือสีก็ทองนิ่งไม่พูดด้วยพระเวทสันดร น, นั่งเฉยเหมือนต่อมาเห็ดตึงๆคือหมอบอสางว่าบ่นํำความเดียวกับบ่องมันเหมือนกับไม่ได้ยิน ถามเลยเหมือกับคนหูหดวกหูตึงเหมือกับคนนอนหลับสุดปัญญาจึงรีบสเสด็จค้นหาต่อไปอีกปากก็กู่ร้องตะโกนคัหาชาลีลูกของแม่เอ๋ยนางร้องสดเสียงไปอยู่ไหนลูกมาหาแม่แล้วแม่มาแล้วเสียงเงียบเสียงสะท้อนกล้องตงหวานกลับมากระทบขูของพระนางก็เป็นเสียงของนางเอง เป็นเสียงสะท้อนมาจากเวิงผาในยามราตรีการเสียงย้อนดังมาจากเวิงผาโน้นเหมือนพูดพลายจะพาการล้อเลียนยเยาะเย้ยชะตากรรมของนางพลางก็วิ่งวนไปตามสถานที่ที่คิดว่าลูกจะไปหลบซ่อนโยูจนเวลาล่วงเข้าอย่างดึกแสงจันทร์พลางพลายจับอยู่บนยอดพึกที่น้ํำขาง ชุ่มช่ำทำให้แลดูเป็นเงาวะาวบวับเงาตะคุ่มตะคุ่มในป่าเงาแห่งแมกไม้เหมือนเกล็ดน้ำตาของป่าไัยแสดงความวิโยกโศกเศร้าด้วยเสียงลมปะทะพุ่มไม้ในยามสงัดก็ฟังไปว่าเหมือนเสียงลูกบนพี่ไรเรียกแม่อยู่อย่างกระซิบกระซิ่ภาวาโลดเข้าไปใกล้พลันทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังก็สูญหายในที่สุด ยังย้อนกลับมาเฝ้าพระราชนิเสธเป็นครั้งที่สองทูลถามแต่ว่าพระเวสสันดร น, นั้นก็ไม่พูดจาอะไรเลยนางก็ทูลถามแสนวิโยโกโศกสันสุดกําลังถ้าแม้นจะมีการตัดแก่นนางมั่งก็จะไม่เป็นการดีพระเวสสันดรคิดว่าจะให้นางได้มีความโกรธเอาความหึงหวงเข้ามาหักความโศกให้เสื่อมลงพระองค์จึงเอือ้อนอัดตรตัตภาธครั้งแรกว่าจะไม่พูดนะ ถามครั้งนี้มันเด็กแล้วจะไม่พูดก็ยังไงหยอในที่สก็เลยพูดกับนางโดยคิดว่าจะหาเรื่องหรความหึงหวงนี่มาทำให้นางโกรธแล้วความนี่จะไปทับความลูกให้อารมณ์หนึ่งมาทับอารมณ์หนึ่งอันนี้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 ท่านจึงกล่าวว่าเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปทุกขังชาติปูนับปุนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนักที่ทุกขังาชาติตรัตสะ ความทุกข์ย่ไม่มีแกผ่ผู้ไม่เกิดคือเกิดทางใจโยมลองทําใจไม่ให้มันดีใจไม่ให้มันเสียใจให้มันเฉยๆให้มันว่างๆดูเป็นจิตว่างๆๆตรงนี้ไม่มีความทุกสอกนะโยมนะทํายังไงจะเกิดจิตว่างนี้ได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดอสุญโยโลโกนี่อรหันเตหิอัฏฐะโลกไม่ว่างจากเพราะอรหันต์ถ้าจิตอย่างนี้ได้ถึงพระพุทธเจ้ทาท่านเคยบอกกับโมฆะลาศ ให้มองโลกเป็นของว่างว่างว่างว่างากับความรักความชังเอาเป็น้ว่าผ่านไปพ่านเวสันดอนนี่ก็หันมาพูดกับนางพูดถึงตรงนี้บอกว่าเมื่อตอนเช้านางจะจากเข้าสู่ปราดองพงไพยนางได้พร่ำลำพันฝากลูกปานใจจะขาดตายไปแล้วก็กลับมาฝากสั่งลูกแล้วก็สั่งผัววนไปเวียนมา ก, กว่าจะออกจาก อาสมได้เอื้อนอ้อยอยู่ตรงนั้นไปแล้วก็กลับมาสั่งสั่งแล้วก็จากไปกลับมาสั่งกว่าจะไปได้ด้วยความยากลําบากเธอเสร็จแซงแต่งทำเหมือนเธอรักลูกแล้วผัวป่านจะเกินแต่เสร็จแล้วเธอต้องเขียวคํายําคืนมาจากมากับแสงเดือนแสงดาวเธอคิดว่าเราไม่รู้เห็นว่าลือศีชีภัยเป็นคนโง่เชอะฉันรู้หรอกนาเธอไปทําอะไรในป่านในเขากับฤือีองค์อื่นหรือเพะะทพปยทธรนีลนะนาหน้ำใจจริงออกมาแล้ว แล้วอยู่ในป่าในไพรไม่ถึงปีหกเจดเดือนเท่านั้นจิตใจเธอก็เปลี่ยนแปลงไปแน่ว่าเขาไปนั่นในกันนี้คนอีสานบ้านเลาเที่เรียกมาฉีกันสามปาโตว่าขึ้นมาลวดปาโตว่านั่งก็มาแต่เสานั่งดวนเขาแสวงหาดวงพระลาดโลกใหม่เอามาไหว้ใส่แรงง่ายจีมีทั้งวันห น, นินั่งเคี้ยวขืนเขามาคำ้ำ เขียวคำเขามาเื่อโดยลัศมีเดือนดาวดุย่าหอยว่านางเล่นหลากลา้ประการในปาหิมาผ่านแหลงหลายยอมมีคนแกวกาแต่ดีลีคือละซีแล้วผ่านปาคนหายกลัวทิพพระยาถอนพระเนจจรเดินปลาใหม่เขาไก่และกะเกาไม้หย่าลิงสองตามือขั้วขวากว่าอีกิกวฝาดหนึ่งนั่น เมนมะนางกระทาการทันใดภัยกระ บ, บอมีหูเมนมะนางในหลักเกลืน่นโสภไยกระบอมีเห็นบัดนี่ย่างมากกังวลอยู่แจ๋วแจ๋วแจ๋วห้อยฮะสองลูกแก้วว่าเสนาดายเดยนมาที่เอ้ยสั่งตีนี้จากเถือนพอเถือนนั่นว่ามีไม่ไพ่ไม่ไรไม่บงหงตีนี้จากสาพอสานั่นว่ามีดอกบัวโพญิงทั้งหลายตีนี้จากโพะ พอพัวนั่นก็มีเอียงจักสิงความจังสีฝนเบาไหวก็มาได้แกนาถัยลาจมาที่นี่จ้าเป็นพัวหนึ่งเมื่อเดียวก็ยังได้หูห่างเป็นพญาเจ้าสั่งยังได้ยางทางตีนท่านวางไปอย่างนี้ท่านเล่นเซมก็ใช้เวลายาวนานพระนางเสียใจมาก ดูหรือเราและยอมเสียสละทุกอย่างแม้จะเปิดโอกาสให้แต่งงานกับชายอื่นในสีพีเชตุดรดลึกให้กับประโยชน์มัธรราแล้วมีโอกาสมากเรายัางไม่ทอถึงพ่อรักหัวสุดหัวใจแต่กลับมาแล้วความจงรักภักดีดูสิมองไปเห็นคุณค่าของเราเลยนางเป็นก้อนก็มาจกอยู่ในลําคอสุดที่จะเอ่ยอ้างขึ้นมาได้นางร้องได้คําเดียวว่าพระเจ้าพี่แค่นั้นเองแล้วนางก็สลบ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 สมความมุ่งหมายของพระเวสสันดรเพราะการที่พระองค์กล่าวปนา ม, มัทีด้วยคําหยาดและดูมินเกียรติศักของกุลสตรีเช่นนี้ก็โดยประสงค์จะเปลี่ยนอารมณ์ของปนางให้คลายเศร้ามาเป็นความอายและเจ็บแทนพระองค์ทราบดีว่ามัทีเป็นผู้หญิงที่ถือตัวถือคุณงามความดีมี ความยึดมั่นในศักดิ์ศรียิงและภาคภูมิใจในความเด็ดเดี่ยวไม่ล่อแลในบุรุษเมื่อมาถูกประนามจากคนที่นางจงรักพักดีเข้าเช่นนี้ก็มีผลทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปความโศกเสื่อมส่างสงบจิตเพราะเจ็บใจจึงก้มพรเสียนซบกราบไหว้วันทาพลางนางทูลสนองพระบัญชาว่าพระพุทธเจ้าค่ะควรม่ควรสุดแท้แต่พระองค์จะทรงกรุณาโทสานุโทษเป็นล่นกล้าว ด้วยข้าพระพุทธเจ้ากลับมาเวลาค่ำตั้งนี้เพราะเป็นกะลีในไ พ, พรสนพึกษาทุกสิ่งในสารพันก็แปรปวนไปทุกประการทั้งพื้นป่าหิมะ า, านก็มันว่นไหวไ ป, ไปอยู่วิงเวียนเปลี่ยนไปมืดมองไม่เห็นสิ่งใดข้าพระบาทนี้ร้อนรอนไม่หยุดหย่อนแต่สักอย่างเดียวแต่เดิมมาก็บังเกิดประหลาดลางขึ้นในการพนาลีพบพยาราชสีสองสามเสือสัตว์ จะกัดหน้าก็ไม่กัดมาไม่ได้พอสิ้นแสงอโนไทจึงได้คลาเคลื่อนใช่จะเหมือนพระองค์รงดรัมฤตนั้นก็หามีได้พระเวสสันดรก็พูดต่อไปอย่ามหาเรื่องพูดฉันรู้แล้วล่ะราศีสีหรือสีออกใหม่อยากแกล้งทุกวันทำไมไม่มีราศีหรือสีองค์ใหม่หรือว่าทิพยทรวงองค์ใหม่นางเจ็บช้าน้าใจในที่สุดนางก็สลบ ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้โอโอใครจะอาพับจะพิกลเหมือนอกของมัทีไม่มีเนื้หน้าที่จะทรงสงสารตังเวโปรดปรานนี้ว่ามัทีนี่เป็นค่าเก่าอยู่จริงจรงช่ ง, ง, งคลอยติง้งบริภาดได้ลงคอไม่คิดเลยนางสลบไม่มีสติสัมปรดีหลับสนิทเหมือนกับคนนอนหลับดีๆนั่นเองเสร็จแล้วพาเวสันดร มีสติกลับเข้ามาคลองกันในความรู้สึกว่าบัดนี้เราได้ทรมานนางมากก็แล้วก็ลดองลงไปไปอุ้มเอามาทีโอ้ยตายแล้ว น, น้องฝาดนีไปทันเสร็จแล้วพระเวสสันดรไดเอาน้ำมาประพรมนางให้ฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยความรักและความสงสารที่ได้ทรมานนางมามาก นางรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่ตอตนเองเดินนอนอยู่ในตักของพระเวสสันดรนับนะแต่สะดุ้งตื่นจากบรรทมนั้นนะนางเห็นอย่างนี้แล้วนางก็เลยรีบทะลันออกจากตักของพระเวสสันดรด้วยสติกลาบลงแล้วก็ระล่ําละลักถามหาลูกลูกของเราไปไหนลูกของเราไปไหนดูนี่คืออารมณ์ของแม่ แม่้จะสลบสิ้นใจฟื้นขึ้นมาอารมณ์แรกก็ไปอยู่ที่ลูกอีกแล้วนางสลบไปเพราะห่วงลูกฟื้นขึ้นมาเพราะความรักของลูกที่ทำพระเวสสันดร น, นั้นอดกั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวว่ากันว่าลําพึงลําพันธุ์อยู่จนอ่อนใจได้า àng, นางตายหรือว่าสิ้นชีวาสวรรคตคดอยู่ที่ศรีผีเชตุรดังก็จะได้จัดการกับศพอย่างยิ่งใจเดบัดนี้นางมาสิ้นชีวิตอยู่ปราภัยก็คงจะมีจะเสียงจ้กจันเรไรเป็นเครื่องดนตรีขับประคม ลำพึงลำพันเอาน้ำมาลดมาเป่ามาส่องนางก็เลยเฟินขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกต่อพระเวสสันดรก็เล่าให้ฟังว่าบัดนี้ได้ฐานให้แก่ชูชกไปแล้วนางได้ยินอย่างนั้นแทนที่นางจะโกรธจะเสียใจกับลูกขึ้นกล่าวแล้วก็พนมมือสาธุอนุโมทนายินดีด้วยกับโพธิานขอให้การให้ทานครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่โพธิานแด่เสด็จ พระเจริสีพระองค์พี่นั้นตามความปาถนะด้วยเถินพื้นแผ่นดินทนไม่ได้ต่อความรู้สึกอันเป็นบุญศรัทธายิ่งใหญ่ได้วาดวันไหวเสียงเทพเจ้าทั่วทั้งหิมวันตะบันทดก็สาธุ ก, การกับนางนี่เห็นไหมเป็นอันว่าการมมทีที่มันได้จบลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นมุนก็ว่ากันต่อไปว่าชูชกนั้นได้เดินทางไป ต, ต, ตกตอนเย็นก็ไปแขวนเปนอนบนยอดไม้ไปถึงทางซีแพ่งก็ไปแขวนเปนอนบนยอดไม้จาได้ว่าตะวันมันตกดินทางนี้แต่วันมันขึ้นทางนี้กุงซีพีเชิตุดร อ, อยู่ทางโน่นนครกะลิงกะลัดอยู่ทางนี้พุ่งนี้ถ้าเกิดมืดฟ้าโมฝนไม่รู้จากทิศ ท, ทางเราอาจจะหลงทางก็ได้ก็เลยขึ้นไปแขวนเปนอนเราจะต้อง หันหัวไปทางบ้านเราเดินมาเวลาใดบ้านเราก็อยู่ทางหัวนอนเราเวลานั้นแผลนอนแล้วก็ผูกเด็กสองคนไว้ใต้ร่มไม้มันจะไปไหนนะคิดว่าเสือสางขางลายมาให้มันกินเด็กสองคนส่วนชูชกนั้นสบายนอนฟีีอยู่ปลายไม้ยุงก็ไม่ได้กินส่วนเด็กสองคนนั้นทั้งริ้นไหลเหลือบยุงต่างๆ เ, เต็มไปหมดแล้วบังเอิญมีเทวดา สองตอนเนรและมิตตนเองเป็นพระเวทสันดอนและนางเมธีมาโอมากอดมาไล่ยุงให้สองกุมารได้นอนหลับเรื่องความสุขชูโชก็หลับอยู่บนยอดไม้ไกลห่างจากเหลือบอยุงรินไหลแล้ว ในคืนนั้นก็เทวดานั่นเองได้จับหัวชูชกหันอีกทีหนึ่งหันไปทางกรุงศรีพีเชตุดนรนพุ่งนี้ให้ชูชกหลงทางเข้าใจว่าทางโน้นเป็นบ้านกริงคาลันจะได้เดินทางไปก็พอดีไปเข้ากรุงศรีพีเชตุดรพอดีพญาสนชัยก็จะได้พบได้เห็นนี้แหละนะรียกว่าคนดีผีคุ้มคนดีพวกเทวดาฟ้าดินท่านก็นดูแลอยู่อย่างนี้ก็ให้สร้างคุณงามความดีไว้เถิดโยมนี่คือบารมีของพ่อของแม่คอยคุ้มกันบารมีที่ เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่าได้คิดว่าความดีนั้นจะไม่สําลิพ์พ้นแม้แต่เทวดาก็ยังทนอยู่ไม่ได้ต้องมาช่วยเหลืออย่างนี้และในคืนนั้นเองพระเจ้าซีพีลาดคือพระยาสนชัยที่กรุงเชตุดอนนคนรซีพีนั้นคืนนั้นพระองค์ก็นอนหลับฝันเป็งน้ฝัน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 พวกหมอโหอนประจราชสานักมาทานายโหนในสานักบอกว่าจะมีคนสุดที่รักที่จากไปนั้นสุดหัวใจจกได้มาให้ท่านพบได้เห็นเป็นยอดบุญยอดขวัญตาขวัญใจทีเดียวไม่เชื่อก็รอคอยดูนี่ความฝันมันมีสองฝันสามฝันนะในเรื่องนี่นางมัธยีก็ฝันว่าฝันขิวน้ำกระทังน่านอันนี้ก็เรียกว่าบุพพันดิมิตรานิสุปินังปรสสติเทวดาฟ้าดินท่าน บันเป็นบุพนิมิตจากบุญกรรมหรือบางทีก็เป็นเทพสังขอนมาให้รู้เป็นอย่างนั้นเป็นอันว่าเราผ่านไปทั้งกุมารทั้งนักเรื่องมัชชีแล้วก็เข้าสู่ส ก, กบันส ก, กเป็นว่าชื่อของพระอินบัพพาเป็ว่าบทบัน้นบันวาด้วยพระอิน โจบสบันศักดบันบันมวนมาที่บันมวนท้ำไห่ผ่านไห่แก่ผ้ามยากเทเด้ย่างน้าผ้าผาขัว้าผากี่ีหล่นมาผจนนําสักสองตูดังงูกาเป็นว่าหันไปเข้าสู่สักบันสี่สิบสามพระคาถาบทนี้เกี่ยวกับเดื่องพระอินพื้นแผ่นดินวาดวันไหวเขาสินีนุราชสันสะเทือนบ่อยครั้งพรอินก็ชักจะตื่นตัวว่าเอ๊ะทำไมแผ่นดินนี้มันวาดวันไหวบ่อยๆเขาสินีนุราชนี่สันสะเทือนบ่อยๆก็ ทรงทอดพระเนตรดูเหตุภัยก็เลยแจ้งใจในพระเวทสันดอนหว่างนันเะนาแม้ให้ทานลูกให้ทานสิ่งของทุกขับไล่มายังไม่พอต่อไปนี้จะต้องให้ทานเมียแน่ๆทางอย่างนั้นเราอดไม่ได้แล้วที่นั่งของเราร้อลนกับวนกับวายสงสารเหลือเ ก, กินเราจะต้องรีบไป ไปข อ, อนาเมื่อทีนี่แหละซะก่อนปลอมตัวเป็นาพามไปถ้าหากเราไม่ไปชิงขอซะก่อนคนอื่นจะมาขอเอาอีกเดี๋ยวชูโชกมันกลับไปนู่นเดี๋ยวมันไปบอกคนอื่นาพามอื่ก็จะมาขอเดี๋ยวก็จะให้มั่อีนี่ไม่ควรค่าแก่ชายใดในโลกควรแกพระเวสสันดรคนเดียวเท่า น, นั้นในที่สุดก็เลยรีบมามาปลอมแปลงตนเองเป็นชูชกภาคสองเป็นพามแก่อีกคนนึงเข้ามาหาพระเวสสันดรพเวสสันดรมองเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยเนยังไงเนี่ยวะเนี่ยฮะ มาจากไหนเนี่ยมาถึวเงื่อนมาการาบว่ากับผมเป็นทนลิติโตเป็นคนทุกคนอยากไร่ตั้งแต่เกิดมาทุกอย่างลําบากขอทานทุากินอยู่ตลอดการยังไม่พอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีลูกไม่มีเมียกับเขาเลยทํายังไงจะมีบุญวัดศาสนาอย่างน้อยไม่มีเมียกับเขาชาติหนึ่งสักคนหนึ่งขี่ไายทายเปรยเป็นขี่ลิ้วขี่เล่ม่ล่างนางไม่เป็นเศษของใครก็ตามเถอดแม้จะเป็นเศษเป็นเด่นนางลมชั้นต่ําๆจากซอกมุมสกรปรกไหนก็ยังไม่เคยได้พบได้ผาน เหมาะภาษาบาทเฮาพอเคยพอน้ำพันแจกเคยเนียวหนังว้ท่านขอให้พระองค์นี่ผู้ปาฏิาริย์โพธิญาณ น, นั้นได้มอบนางมัธยินี้ให้แก่ข้าพระองค์รวยเถอดพระเวสสันดรเมื่อได้ยินดังนั้นคําขอคนของคนยากและคําขอร้องของคนขัดเป็นเสียงเพลงสวรรค์ของนักบุญพระเวสสันดร น, นี้ก็ดีใจตกลงสาทุพามท่านจะต้องได้ดังปาาริย์เราจะมอบให้แน่นอนวันแล้วก็เอาน้ําเต้ามาเลยจะ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 ความเร็วสูงล่มันจบลงดังกล่าวแล้วพอเหลือไปมองดูนางมัตทีเพราะว่าตนเองนั้นไม่ไม่ได้ขอลงแล้วก็ไม่ได้ถามนางแต่หน่อยจะยกให้ยกให้ไม่ทราบว่านางแกยอมให้ด้วยหรือไม่นางมัตทีนั้นเหมือนกับรู้ใจของาราชลือสีผู้เป็นสวามีก็เลยบอกว่าเสด็จพี่ย่าได้ห่วงหม่อมฉันเลยมัตทีพร้อมจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนาวา ให้เสด็จพี่ขี่ไปสู่มหานฤลภานสั ม, มาสัมโพธ h ญาณนูน้นจะได้ห่วงหาอาไรห่วงใยอาวรนเลยจงยกมัทีให้เถิดไม่ต้องค่วงมัทีเห็นด้วยอนุโมทนาว่าแล้วก็มือหนึ่งจับแขนน้ำมัทีอีกมือหนึ่งก็จับต่ําเต้าน้ำที่เรียกว่าน้ำเต้าทองสวรรณพิงคาร น, นั้น หลังลงในมือของาพามและอธิษฐานใจสาธุด้วยเดชแห่งการให้ทาละเป็นทานให้เมียเป็นทานแล้วให้ลูกเป็นทานแล้ววันนี้ให้เมียเป็นทานขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถินเมียของเราลูกของเราเรารักปานดวงตาปานหวัวใจแต่เรามอบให้เพราะต้องการสิ่งที่เรารักยิ่งกว่า น, นี้คือพอ่อที่ยัต ฟ้าดินสถานจะเชอนทนไม่ไหวก็เลยวาดวันไว้อีกครั้งหนึ่งเทวดาฟ้าดินอนุโมธนาสาธุการเข้าตอกดอกไม้โปรยไปลงมาจากสวงสวรรค์ทั่วทั้งฮิมวันตะบันทนหลังจากนั้นชูชกภาคสองก็ชื่นามนางวัีออกไปต่อหน้ายัางไม่พอ กอดพนางเลยทําท่าจะจูบจะลูบจะคําจะทํำปุยี่ปุยําสะต่อนหน้าเลยเหมือนหื่นกระหายสแสดงอาการเพื่อยัอย่วยวนจิตใจของพระเวทสันดรว่าพระเวสสันดรจะมีความรู้สึกอย่างไรสมัยก่อนนู้นชูชกจูงลูกตีไปตอ่อหน้ายังคว้าพระ ข, ขว้าเอาพระสอนเลยสอนใจใจยิงผามแต่ช่วงนี้จะคว้าอะไรตาก็ว่าพระเวสสันดรมองดูเหมือนดูก่อน ก่อนอิด ก, ก้อนหินเหมือนดูต้นไม้ต้นไหลเฉยๆนั่นผัว ก, กับเมียเขาจะทำอะไรกันก็อช่างเขามันเป็นสิทธิของเขาเราได้มอบไปเขาแล้วนี่คืออูเบคามีพร้อมเสร็จจิตใจของท่านในช่วงนี้แข็งแกร่ ง, งเพราะเมื่อก่อนนั้นให้ลูกเป็นทานชูชกตีไปต่อนหน้ายังทนไม่ได้มือคว้าใส่ฝอนไยตั้งใจจะยิงพามบอกว่าพามชั่วช้าเฮแล้วโหดโชชั่วช้วชาเลยจนะไหนมาตี ปลูกตอนหน้าพ่อตีปาต่อนหน้าใสแล้วมาอยู่ปาดองพงไพมาแต่ตัวก็หาไม่ธนุสินส้อนใจยก็ถือมาคว้าธนุมาจะยิงให้ขาดกลนง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 ถามภาคสองนี้เอานางมัธยีไปต้อนหน้าไปกอดไปจูบําทาคืนกระหายร้านสวา่านจะพิศวาสกันต้อนหน้าจะแฮปปี้กันอยู่ตรงนั้นพระเวทตนดอนมองเห็นแล้ววางไกไว้ใช่เหมือนดูก่อนอิดก่อนหินดินทรายแบบมีความรู้สึกรักชังอะไรนิรวศติสัมปชัญญามันมาทันแหมเสร็จแล้วาพามคนนั้นก็สลดใจวางนางมัธยีแล้วกลับมากลับบอกข้าแต่มหาราชเจ้าราชเลิศส พระนางนี้ควรที่จะเป็นรัตนนารีแก่รัตนบูรุษมหาบูรุษผู้ยิ่งยอดคือพระองค์เท่านั้นไม่ควรเลยที่ข้าพระองค์จะไปเซไปสมเอาไปเป็นลูกเป็นมีมันห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินนุ่นเพราะเหตุนั้นก็ผมได้คิดดูลแล้วจึงขอฝากไว้คืนไว้สักก่อนขอให้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 ประกันไว้ไม่ให้ไปให้ใครเพื่อต้องการความเมตตาปาณีจะให้เกิดมีความสวัสดีแก่พระนางมาถีอันนี้ก็เลยบุญอันหนึ่งคุ้มครอ ง, องคนดีทําคุณงามความดีมาตลอดนั้นเทวดาฟ้าดินท่านเห็นคนด้วยกันไม่เห็นผีสารเทวดาก็เห็นคนที่สร้างคุณงามความดียอมมีคุณงามความดีคุ้มครองอย่างนี้เลยนางมาถีเจ้าหา พระอินนี่ไม่แปลงร่างมาเป็นพรมมาขอไว้สัก่อนไม่นานนะคนอื่นก็จะมาขอไปนางก็จะตกต่าระยำยากทุกยากลําบากแต่นี้ด้วยอํานาจบุญเดือดร้อนไปจนถึงพระอินพระอินกันเลยมาขอไว้เมื่อขอได้แล้วก็มอบเวรเขินให้แล้วก็วาระผูกมัดเอาไว้ให้คนอื่นไม่ได้นะถ้าให้คนอื่นต้องให้คิดถึงว่าเจ้าของเขามีคือผมนี่แต่ท่านอยู่กับท่านนั้นท่านจะใช้ทํำยังไงก็ได้เป็นเรื่องของท่านมอบให้ ทุกสิ่งทุกอย่างในใที่สุดพามแก่คนนี้ก็บอกว่ากับผมเนี่ยจะขอลาท่านไปแล้วล่ะผมไม่พามธรรมดานะ้เป็นส ก, กรกพามวันและก็สแสดงตนให้แก่พระโพธิสัตว์ให้ทราบชัดตามเป็นจริงว่าข้าพระองค์นี้หาใช่พามหินชาติชั่วช้าไม่มาจากทิพ ย, ยสถานและก็แปลงกายกับเพศเป็นเทา้าส ก, กเทวราชลอยขึ้นเหนืออากาศ เป่งรัศมีโอภาสดุดดวงที่วาก่อนยามจะรับขอบโลกนะยอดเขายุคขัน t รแล้วก็เปลงวาจาประธานพรสุดแต่พระโพธิสัตว์จะเห็นชอบแปดประการบอกว่าท่านต้องการพร อ, อะไรขอมาเถิดผมจะให้พรท่านแปดขานพระเวสสันดรก็เลยลำดับนั้นก็เลยทรงชื่นชมต่ออาคันตุกะผู้น่าอาัศาจรรย์เมื่อจะขอพรต่อเจ้าจอมอมรินปิดสวรรค์จึงตัสว่า ขา้าประจาคืออาตมาเนี่ยถ้าโยมจะให้พรจริงๆก็จะขอสักแปดพรดังกล่าวแล้วหนึ่งขอให้เสด็จพ่อได้รับความโปรดแทนอย่าได้ยกยกปยุหาแสนยากร อ, ออกออกมาเค่นค่าและก็ให้ยกปยยหาแสนยากร น, นั้นมาตามรับเสด็จคืนสูนทรสครเสวยสิริราชสมบัติต่อไปข้อที่สอง เมื่อได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์นางเดิมแล้วขอให้ข้าพระองค์ข้าพระเจา้าได้ปล่อยนักโทษผู้มีทุกข์จากเครื่องจองจำข้อที่สาขอให้ได้ทํานุบํารุงพระศกในกรไพ่ฟ้าอาณาปัะชาราษทุกเพศทุกวัยโดยปัจจัยไม่รู้จะขาดแขนทานปันตีกระ บ, บ, บอกหินบดข้อที่สี่ขอจะได้รู้อํานาจความอยาที่เกิดขึ้นกับมาตรคาใดจะได้เผอจิตเผอใจประกอบธารกรรมยินดีต่อมัททีนางเดียวตลอดชีพ ในทันลายเคย อ, อธิษฐานกันบ้างไหมผู้ชายสาธุทอนขอผู้ขายเดินใ้มีใจหักผู้อื่นผู้แพ่งนอกจากเมียผู้เดียวเหมือนพระเวททางดอนเนี่ยจิตใจเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำต้องอธิษฐานต้องตั้งใจไว้ให้นางฟ้าเขียวเขียวลอยมาจากสวรรค์อ ป, ปรสรเป็นแฟนนางก็จะไม่สนใจเท่ามีเราคนเดียวให้มันเป็นอย่างนี้ ข้อที่ห้าขอให้ทั้งพระโอรสธิดาจงมีอายุยืนนานยิ่งย ง, ยงด้วยอำนาจดำรงแผ่นดินด้วยทัศพิตรราชธรรมเมื่อพ่อสิ้นชีพข้อที่หกเมื่อกลับสู่เมืองสีผีเชตุดดแล้วฝนทิพย์ที่มีเม็ดเป็นแก้วเจ็ดประการจงตกลงมาในมหานครจะได้ขาดข้อที่เจ็ดขอให้มีใจิตใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงต่อศรัทธาทานบริจาคทรัพย์ที่เป็นปัจจัยอยู่ไม่รู้จักสิน้น ขอดีแปเมื่อดับขันแล้วก็ใด้ อ, อุบัติบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตแลจุติสู่ปัจฉิมชาติเป็นมนุษย์โลกใดบรรลุปรมาพิเศษสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จเท้าสหัสตตเนศทรงกำหนดทศพรแปประการแก่พระเวสสันดรแล้วก็อธิษฐานประทานอัคควรพราตา ตามเจตนาดังนั้นสาธุขอความปาถนะของท่านจงสําเร็จสิทธิธรรมทูติธรรมทูติทธรรมทูตเทิดว่าแล้วกันศักระบันมันก็จบเพียงแค่นี้มหาราชหกสิบเก้าเราเร็วกันหน่อยวันนี้ไม่รอแล้วมหาราชก็กล่าวถึงพยาสนชพยาสนชัยแห่งกรุงศรีพีเชตุดรดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดเกินของกันมหาราชไว้แล้ว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 พระเจ้าสนชัยก็เลยฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งตูมๆดอกหนึ่งกําลังแย้มบานพอรับเข้าไปดอกที่บานนี่ก็ร่วงโรยเกสรลงในอกและหอมกลุ่นไปทั่วพระบรมราชวังส่วนดอกที่สองนั้นพอรับไปก็แย้มบานแล้วก็ร่วงโรยสู่อุระสู่อกทีกห่หอมกลุ่นทั่วพระบรมมหาราชวังตื่นขึ้นมาให้หมอโฮนมาทำนายก็บอกว่าโอ้คนสุดที่รักของท่านสุดหัวใจจากนานๆจะกลับมาให้พบให้เห็นเป็นแน่แท้ นี่เริ่มต้นอย่างนี้เสร็จแล้วพอตอนเส้นสายมาชูโชกก็หลงทางนึกว่าจะไปเมืองคาลิงคราชเทวดาจับหัวหันก็เลยเดินไปโน่นสีพีเชตตุดรเท ว, วดาบังหูบังตาพวกนายทวารลบาลพวกคนฟอกประตูไม่เห็นปะให้ชูชกเดินผ่านเข้าไปโน่นถึงนะี่หน้าพลานหลวงบุบบรมมหาราชวังพระเจ้าสนใจนั่งอยู่หน้าพลานนั้นเลยมองเห็นเอ๊เด็กน้อยสองคนนี้เคยเห็นมาจากไหนว่า รู้สึกจะคลับคล้ายคลัขบข่าวหวังกันแต่นะในที่สุดนก็เลย ดูไปดูมาอ้าวนี่มันล้านเราเนในวาก่อนวิ่งลงไปหาไปทำอุ้ยกันหาชาลีหลานลักมาแล้วปู่คิดถึงเหลือเกินใครพาเจ้ามาเนี่ยเหรวิ่งเข้าไปแต่ล้านสองคนนั้นไม่ยอมให้กอดบอกสเสด็จปู่อย่าได้มาใกล้หมอมฉันเลยหมอมฉันเป็นคนยากคนจนหมอมฉันไม่ใช่ขัตติยราชเป็นคนไม่มีวัควนอนปลายตีนอยู่ในป่าเขาลําเนาภัยวันนี้พกยาจกคนยากจนโถ่หลานลักของปู่ทําไมพูดอย่างนั้น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 ชูโชกตอนนี้ก็ตกใจนี่มันอะไรกันแน่วลากูเดินมาอย่างไหนเข้ามาทางเนี้ยก็เลยสั่งทหารเลยพระเจ้าสนชัยเรียกทหารจับไอ้ชูโชคไปเอาเด็กสองคนนี้มาจากไหนมึงไปลักมาใช่ไหมชูโชกบอกวาไม่ได้เอามาผมไปขอมาเป็นไปไม่ได้ใครที่ไหนเขาจะให้ลูกให้เตา่ามึงต้องไปลักมาแน่แน่มึงจะต้องหัวขาดในวันนี้ชูโชกบอกว่าไม่ใช่ผมไปขอมาไม่เชื่อได้ถามเด็กสองคนนี้ดู เดียภย่าสนใจบอกไปหาใครเป็นพยิงพยานว่าใครจะให้ลูกให้เต่าไม่จะผีบ้าลูกในดังดวงตาดังหัวใจมึงว่าของมึงเอาเองมึงไปลักมาชูชกก่อจนใจไม่รู้จะเอาใครมาเป็นพยิงพยานก็เลยชีย้ไปให้ถามเด็กสองคนนั้นดูในช่วงนี้แหละยอมเอ๋ยเขาก็ไม่มีคนถามกว่าถามเด็กๆสองคนนี่ก็บอกบอกจริงดังที่ชูชกว่าเพราะว่าเสด็จพ่อได้มอบให้แล้วก่อนที่จะมอบให้ยังตีราคา ไฮหมอมชั้นนี่ผู้ชาลีนี่ทองพันช่างคําพันช่างส่วนกัญหานั้นถ้าใครอยากได้จะถ่ายถอนต้องช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวบ้านหนึ่งร้อยหลังรถหนึ่งร้อยคันแล้วก็ยังมีทาสีทาสาอย่างละร้อยเงินอีกอย่างละพันช่างพันช่า ง, งทองคำํำว้าถึงขนาดนั้นแมมในช่วงนี้เองคนทั้งหลายก็เปล่งวาจา แป่ซ้องด้วยความคำด่าโดยเฉพาะอำมาตย์ทั้งหลายบอกพอเว ส, สันดรคนชาติชั่วอปรีจังไลยดูสิอยู่บ้านอยู่เมืองก็ยังทานช่างจนถูไล่ดียังไม่เข็ดไม่ลาเขาไม่ขอลูกก็ยังให้ลูกอีกจังชั่วช้าลามกบัตสีซะจริงจิงชาลีได้ยินอย่างนั้นทนไม่ได้ชี้หน้าด่านี่คนชาติชั่วตนเองทําไม่ได้ยังไปเที่ยวด่าว่าคนอื่น พระเวสสนดรพ่อของฉันเนี่ยท่านมีจิตใจศีรษะเมตตาปานี้อย่าว่าแต่ช้างเลยเงินทองทั้งหมดท่านมอบให้แม่แต่ลูกท่านก็ยังให้ทานคนอื่นที่ป่าถนาจิตใจของท่านสูงสงลระแกนะเคยทําบุญหรือเปล่าแม้แต่บาทเดียวก็ยังไม่เคยตนเองทําไม่ได้มือไม่พายเอาเท้าลา น, น้ําอีกสเสด็จปู่เลี้ยงไว้ทําไมคนสอพ อ, อย่างนี้ทําไมไม่ใสหัวหนีออกจากบ้านจ้าเมืองเห็นไหมลูกที่ดีย่อมรักษาศักดิ์ศรีของพ่อแม่เขาด่าพ่อแม่ก็ออกมาคัาดค้านแทนเนี่ย แม่ถึงข น, นาดนั้นพวกอํมมาศตอพรทั้งหลายก็ต้องได้เอาขันห่ามาขอขามาแกชาลีว่าได้พูดจาพ่อยๆ อ, ออกไปนึกไม่ถึงนี่เห็นไหมละ่ะลูกที่ดีก็ครผมของศักดิ์ศรีของพ่อแม่ได้ทั่วสาระทิศชี้หน้าดาบพยาสนชัยได้ยินดังนั้นก็ น, นึ่อืมนี่เสือหมากใหม่บอลลนไกลกกเนี่ยพมดบอนเป็นหัวหลานลูกคนดีเรื่องเป็นอย่างนี้ บอกตอนเองนะบาทเดียวไม่เคยทานพอพอ่อฉันทานได้แม้กระทั่งลูกยังมามีหน้ามีตามาว่าเขาเอกหน้าไม่อายอมามัดซอพอย่างนี้ไสหวมนออกไปจากพระราชวังแตเจ้าสนชัยไปหานาง ขุดสตีมาดูหลานวิ่งมาหาหลานหลานไม่ให้เข้าใกล้หมอกหม่อมฉันเป็นวั น, นพกยาเาะคอนยากจนเมื่อใดยังไม่ถ่ายถอนออกมาก็ยังไม่พ้นจากความเป็นทาสเดี๋ยวนี้เป็นทาสทาสี ท, า, ทาสาเขาอยู่ว่นแล้วพยาสนใจก็สั่งอํามาตบริวารนายผู้รักษาพระคังขนเ ง, งินขนทองออกมาถ่ายถอนตามราคาที่ตีไว้อีตอนนี้ชูโชคก็เลยได้เป็นพระเอกเงินอย่างละสองพันช่างคำสองพันช่งช้างร้อยตัวมา้าร้อยตัว วัปลาสาตบ้านร้อยหลังแล้วกับคนชายหญิงชายอย่างละร้อยอีช่วงนี้แหละทันตาดโดยจนเอ่ยลืมนางอมิตตาเสียสิ้นกินสะยอกใหญ่เลยกินจนไม่ย่อยแล้วก็เลยตายท้องท้องนินแน่นแล้วก็ตายไม่มีนะท้องแตก ในพระไตรปิดกไม่มีแต่พวกเราก็พูกันทองพามแตกดังปูทองพามลูดังปางถึกไม่ห้างตายพอหอยเสาตำนอยตายพอพันหนีพอทันตายหลายกว่นนั่นถือเคือนปัญญาตายเป็นแตกเพไปด้านหนึ่งผมรํารู้ถึกนักปาดอาจารย์ตายเป็นหมื่น เป็นยังจะมาตายหลายแถวกนักป่าอาการทั้งหมดนั่นถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วทําไมเอามีดมาเสียบพุงทิ้งมันไม่แตกดอกกินยังไงก็ไม่แตกนั่นเป็นปริศนาสอนทำเป็นฟิสิกันเวออสปีกิ่งเป็นทำเป็นปุคลาที่ฐานาสอนเราให้รู้ชูชกได้ทรัพย์สมบัติในโตประเทสได้มาค ก, ก็เลยกินอย่างยิ่งใหญ่ไม่อยก็เลยท้องแตกตายนั่นเป็นอย่างนั้นชูชกมหาราชเอ็มก็จบลงไปเพียงเท่านี้หลังจากนี้เราก็โศศกติ นครกันชะกตีนี่มีสามสิบหกคาถานาครกันสี่สิบเก้าทับสนพระเจ้าสนชัยซีพีเชตุดรก็ได้ปรึกษาหาเลือกกำนางพฤษีควรที่เราจะต้องไปเชิญพระเวสสันดรกลับสู่พระนครเราได้แล้วชาวบ้านชาวเมืองก็คงจะหายโกรธหายแค้นทุกคนมีความเมตตาปานีต่อกันหาชาลีผู้ทุกข์ยากคิดถึงพระเวสสันดรบ้านเมืองก็มาอยู่เย็นเป็นสุขเท่าที่ควรแล้วพระเวสสันดรจากไปความโกรธก็ได้จางหายไป ครั้งแรกก็ให้อเอาช้างเอาม้าเนี่ยไปให้กันหาชาลีนำทางไปสักสองคนแล้วก็พาช้างพามา้าไปเห่กลับมานั้นสองคนนี่ไม่ไปดูสิ ตอไล่ออกจากเมืองนั้นแห่กันทั้งบ้านทั้งเมืองมาเดินประท้วงเย่เยาเยไล่ให้เสด็จพ่อสเสด็จแม่หนีที่ตอนจะไปเอากลับมานี่ให้เด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้านมไปตามกลับมามั้ไม่สมเหตุสมผลสมศักรีหม่อมฉันไม่ไปในที่สดุดพระยาสนชัยก็เลยตกลงจะต้องไปเองไปเองทั้งนางพุทธดีว่างัน้นเถอะนะแล้วก็ พากันแห่เหนแตนแต้ไปกองทับแสนยานุภาพอันเกรียงไกรกองทับช้างกองทับม้าใส่ไปติดธงสีพีเชิดตุดรนอ้อยเสียงสนั่นวันไหวพระเวศนดรกับพระนางวัทถีอยู่เด็กกันได้ยินเสียงคือกอึ่งกลาหนมาก็ น, นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่คงจะเป็นข้าศึกษามันตราชต่างนครที่ยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจสีพีเชิตุดรยึดได้แล้ว ก็คงจะตามมาเข็นข่าเสียนน้ำลูกของพระเจ้าสนใจในป่าไปเถิดมื่อีเอ๋ยจูงแขะนางวิ่งเท่านั้นเองเพระเวสันดอนก็ยากเหือกันไี้แต่ว่าพระนางมั่อทีนั้นไม่มีความคิดอย่างนั้นคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นศรีพีเชิดตุรนของจะมาแห่เรากับพระนครเป็นแน่แท้นางคิดอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นและเมื่อวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงสงขึ้นไปก็เรือบมองลงไปเห็นธงประจำ เกวัตทองของสีพีเชคตุดอนแน่แน่โอ้นั่นเป็นเครื่องหมายก็เลยกลับเขินมาหลังจากนั้นพระเจ้าสนชัยก็ไปถึงอาสมพระเวทสันดอนกำนางมาทีต้อนรับโดยอาการโศกเศร้า ก, กันและแสงร้องไห้กันอยู่ชั่วคู่พนางพุทสดีก็เสด็จถึงวิาสาสะกันอยู่สักพักใหญ่ ลักพักใหญ่เอาผ้าเอาอะไรมามอบให้มาทาใส่ยูเย็นเป็นสุขยังไงลูกเออยังพออยู่พอทนหรืออยู่ในป่าในเขาผิวกายของเธอค้ำไปก็ไม่เป็นไรก็ผลอยู่ได้ตอนนี้สี่กษัตริย์พระเวสสันดร น, นางมาทีพุทธดีและสนชัยกำลังสนทนากันอยู่เสร็จแล้ว สองกูหมานก็เสด็จเข้าไปพอพนางมัธยีเลือบเนธเห็นสองพระลูกลักพากันเดินต้อยต่อยเข้าสู่เขตอาสมเท่านั้นพลนางก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จละจากพ่อและแม่สามีวิ่งภาวะออกจากศาลาชาลีกันหาพอเห็นแม่ตางก็วิ่งเคียงกันโผลเข้าอ้อมกอดของแม่มีอาการเหมือนแม่ไก่วิง่งกางปีกออกต้อนรับลูกและลูกไก่ก็พากันวิง่งเขา้าซุกใต้ปีกของแม่ทางลูกและแม่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 อีสามกษัตริย์ประทับทอดพระเนตรได้เห็นดังนั้นก็สุดที่จะทนทานและเห็นสามแม่ลูกที่มีอันเป็นไปเช่นนั้นก็พากันวิ่งออกจากศาลาต่างเข้าพระไัยเข้าเจว่ามัททีกันหาชลีถึงแก่ทวิงขุทีวงคตตายเสร็จแล้วแน่นอนเกิดวิประโยคโศสลดอย่างเหลือกันพันอีสามพระองค์ก็ล้มวิสัญญีพากันสลบหลับกองทับกายกันแลกันอย่างน่าอเนตอนาจใจแม้บรรดาพระคู พรหนจะตุลงพลกระสนาองค์ข้ามนตรีและนักสนมนาลีสิบสองอโครประเพนีต่างก็สวนซบสลบไปทั้งใส่กองทัพทำให้บริเวณพระอาสมสถานเกลื่อนกลลเนลนาฏไปด้วยคนร่างที่ไร้สติดุจป่าไม้หลังที่น่าพราะแรงรมร้ายฉะนั้น ตอนนี้แหละฝนสวรรค์โบกลลับกระจัดตัวลงมาในของเขตประเทศที่สาลาฝนตกลงมาพอดีฝนสวรรค์จากพวยเทพบันดาลให้ตกลงมาเพื่อให้กองทัพที่ไร้สติและกลุ่มชนที่สลบกองกันนั้นได้ฟื้นคืนออกมาทรเวสสันดรก็เล่ามาพระพุทธเจ้าเล่ามาถึงตัวนี้บอกพิสุท์ทั้งหลายนี้แหละ ฝนที่เธออัศจรรย์ลั่นเลื่อนนั้นครั้งนั้นยิ่งกว่านี้ตกลงมาในเวิงหงว่างผาอำนาจฝนโบกครพัฒซึมซาบไปทุกขุมขนทั่วสลีและอินทรีของทุกชีวิตจึงค่อยค่อยฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติจากนั้นทุกหมู่หมวดมุขอาบหมาดมณตีที่ชาติเสนาพึกสามารถราชกวีทั้งสนมนารรนิกร อ, อันนอทั้งพวกป้อมนพนาทั้งหลายก็เกินลมาชาสยดสยอง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 โอภาอาสมก็จะบรรลัยพาะเพลิงตาทั้งสูงสัตวนานาจะยื้อแย่งจะยับเยินทั่วทุกคนแห่งโ อ, โอเวทนาอีตอนนี้คิดถึงอาสมที่เคยอยู่เคยอาศัยระหว่างเดินจงกรมน้ำตาหลางไหลออกมาด้วยคิดถึงบุญคุณอาสมบทน้อยที่วิสุกรรมได้ในละมิไทยหลังจากนั้นก็กลับสู่พนครสีพีเชตุดร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 ขาพระพุทธเจ้าที่แสดงมาขอจบเวทสันดรชาดกลงด้วยประการชนี้เมื่อพระองค์ได้แสดงเรื่องพระเวทสันดรชาดกให้แก่เหล่าสากยาราชพี่น้องฟังและพิสูจน์ทั้งหลายแล้วจบจากนั้นก็ตับอริยสัจทั้งสี่คือทุกเหตุ hey, ให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุก และหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกยังให้หมว์มวลพี่น้องสากยะราษใได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมโซดาบันเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าข อ, น, อน้อมน้มนมมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าพระองค์นั้น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 ท่านทั้งหลายก็คงอยากจะรู้อยากจะทราบว่าใครเป็นใครกันแน่เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานั้นด้วยความไม่เที่ยงแท้อานาจแห่งอานิจังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เทีย่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นสามัญลักษณะแม้กระทั่งนามสมมตุติชื่อเสียงนามโคตรก็เช่นกันจอมเปลี่ยนแปลงไปทีปัง รูปังชีรติมัดจานังนามโคตังนชีรติหญ้าเมื่อฟงซั์เสียงซูลสัมศีวิตภูผ้อยกระศูนเสียบอกวันเห็นใดมีท้ออัตถีเบี่ยงอังค่านเถ่าทานทางถมถ่วมแผ่นพืนพ้นให้เข้าใดหงเห็นส่วนมาน้ำโขดเสื่อเสียงสือซักสกุลปหอนซูลหายไปจากโลกากรวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องปาปังกรรมบาปหากจะยั่งโยคางให้เข้าใด ฮงเห็นเป็นอันว่าถือเสียงเรียงนามนั้นยังคงอยู่แคว้นสีพีเชตุดรนคันร่วงมาถึงครั้งยุงพุทธกาลก็เปลี่ยนชื่อเป็นสักกชนนบุตรนครเชตุดรก็เปลี่ยนเป็นกรุงกบินาพัตนราชวงศ์สีวิราชเปลี่ยนเป็นสากยราชพระเจ้าสนชัยมาอุบัติเป็นพระเจ้าสุโทธทนะพุทธบิดา พระนางผดษดีมาอุบัติเป็นพระนางสลิมมหามายาพุทธมารดาพระนางมัททีเป็นพระนางยโสทลาพิมพามารดาของลาหุนพระชาลีกุมารเป็นพระราหุลพุทธชินโอรสพระนางกันหาเป็นพระนางอุบลวละณนาเทลีชูชก เป็นพระเทวทัตอมิตราเป็นนางจิงจะมานวิกาสาวิกาของเดรัจฉแม่บุคคลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องมหาชาติก็ล้วนอุบัติมาเป็นบุคคลต่างๆผู้มีนามและมีความสำคัญเป็นกำลังช่วยเผยแพ่คำสอนของพระพุทธเจา้าให้จีรังยั่งยืนแพ้่หลายสืบต่อมาจนถึงพวกเราปัจจุบันส่วนพระเวสสันดรนั้นเราท่านก็ทราบอยู่แล้วว่า คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพระบวรพุทธศาสนา<ช>เราจะเห็นได้ว่าด้วยอำ น, นาจการบำเพ็ญบารามีธรรมของพระมหาบุรุษที่ยอมพลีทุกอย่างสละทรัพสละบุตรสระละภรรยาและอวัยวะตลอดแม้กระทั่งชีวิตแม้ท่านจะสละเพื่อความหลุดพ้นของท่านเองก็ตามแต่ผลของการหลุดพ้นนั้นก็พลอยมาถึงพวกเราชั้นหลังๆให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ ผิดแผกแตกตามกว่าฟงสัตว์ก็เพราะมีสินธรรมและพระพุทธศาสนาที่เราได้นับถือประพฤติปฏิบัติกันยชฉนั้นควรที่จะรับฟังเรื่องมหาชาตินี้ด้วยความกตัญญูรู้คุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตน จำเริญรอยตามปฏิปทาของพระโพธิสัตว์เวสสันตละเจา้านั่นคือการบูชาคารวะท่านด้วยการศรีลละด้วยการปฏิบัติตามกำจัดความเ็นแก่ตัวให้ลดลงทีละน้อยทีละน้อ ย, อยก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยให้โลกขสันิวาต น, นี้คือสังคมของมนุษย์หน้าอยู่หน้าอาศัยอบอุ่นขึ้นดังพระเวสันดรทรงบำเพ็ญมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว ด้วยเวลาอันยาวนานสุดท้ายเวลาที่มีเหลืออยู่นี้เป็นอันว่าจบไปแล้วถ้าจะให้ปริทั์อีกสักเรื่องหนึ่งทำไมนางมัทีนั้นนางจึงต้องมาทนทุกข์ยากลำบากเมื่อรู้สลบแล้วเติรนฟื้นขึ้นมาเห็นสามีบอกว่าลูกก็ให้ทานไปแล้วนางกับยินดีอนุโมทนาพอพระเวสสันดรจะยกให้กับสกภาม นางก็ยินดีอนุโมทนาไม่ขอร้องแม้แต่น้อยนิดเรื่องเคยมีเล่าไว้ในทูเลนิฐานสมัยก่อนนูนพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นซุ้มเหตดาบทในสมัยพุทธเจ้าทีปังกรในวันหนึ่งเหอมาในอากาศเห็นชาวบ้านกำลังทำทางก็แวะลงถามว่าท่านทั้งหลายทำอะไรพวกชาวบ้านบอกว่าทถนนรับพระพุทธเจ้าทีปังกรจะเข้าไปในเมืองโอถ้าอย่างนั้นฉันขอทาด้วยอยากจะได้บุญเขาเห็น ดาบทหนุ่มนี่มีฤทธิ์มีเดช ก, ก็เลยให้ทำตรงที่มันยากยากมีตมมีโคลดาบทหนุ่มนี่พยายามเอาผ้านิ้สีตะนะหอเอาดินมาเทใส่เทใส่พอถึงพุ่งนิชเช้าพระพุทธเจ้าทีบางกรเข้ามัดถึงงานยังไม่เสร็จเหลือประมาณหนึ่งเม็ดสุมเมด็ดดาบทก็เลยนอน รับลงไปในโคนให้ตนเองเป็นสะพานพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยอรหันบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนได้เดินไต่ไปเพื่อไม่ให้เปื้อนพระบาทด้วยต่มขอนแล้วอธิษฐานใจว่าขอเดชที่ข้าพเจ้าได้ถาวายตนเองเป็นสะพานนี้จงได้บรรลุอุด อนุตตลักม์สมาสำโพธิยานเหมือนพระพุทธเจ้าองค์นี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าบอกพิสุตตังหลายว่าพิกษุตตังหลายนี่คือหน่อพุทธทางกูลกําลังอุบัติขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าพัตตะกับโนนบุรุษนี้จะได้ตัดสรู้อนุตตลัมสมาสำโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นแน่นอนพิกษุทั้งหลายพากันสาทุกการเมื่อพิสุตตังหลายผ่านไปแล้วดาบดหนุ่มนีมมอมแหม่มด้วยโคนลุกขึ้นนั่ง อธิษฐานใจอีกหลับตาพิมพก่อให้เราได้ตัดจารุนุตลาสัมมาแตงบทิยานในขณะเดียวกันมีดารูณีแรกรุ่นสาวสวยคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆสาธุทำบุญทำทานมาจากไหนขอให้ข้าประเจ้าได้เป็นเมียของดาบทรูปหลอกคนนี้ด้วยเถอดดาบทได้ยินอย่งนั้นก็หันหน้าไปตะคอกขอา้าชั่วหน้าไม่ไอายผู้ชายล้นโลกโลกาทำไมต้องมาปราถนาหรือสีชียไปไม่อยากจะเห็นหน้าหน้าไม่ไอายสัมสัน ว่าอย่างนี้นางก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้ฝ่ายอนุตตลสัมมาสัมปอรติยานทำไมท่านได้ด่าได้ว่าอย่างนั้น ในเมื่อท่านจะปาถนาโพธิญาณท่านจะต้องให้ทานมหาบริจาคทานลูกทานเมียอาวัยวะเงินทองและชีวิตเงินทองท่านทานได้เป็นของท่านชีวิตเป็นของท่านท่านทานได้เอาวัยวะเป็นของท่านท่านให้ได้แต่ลูกกับเมียท่านไม่มีท่านจะให้ได้อย่างไรก่อนที่ท่านจะมีลูกท่านต้องมีเมียลูกนั้นเป็นสมบัติของ ผัวและเมียร่วมกันท่านจะให้ลูกเป็นทานท่านจะต้องมีเมียซะก่อนถ้าเมียไม่ยินยอมท่านจะคลอดลูกเป็นเองเหรือเพราะเหตุนั้นท่านจะหาผู้หญิงใจถึงที่ไหนได้ ฉันจะขอเป็นเครื่องมือเป็นสำเภาแก้สวสำเภาทองท่านจะได้ทานลูกและทานเมียฉันพร้อมที่จะข้อลูกมาให้ท่านถานและพร้อมที่จะเอาตัวของฉันเนี่ยให้ท่านมอบให้ไข่ก็ได้ท่านยังมองข้ามสิ่งเหล่านี้แหลเหรือว่าแล้วสุมเม็ดาบอกก็เลยอืมเป็นหัวรับโอเคขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดจากวันนั้นมาจนบัดนี้พนางดารุณีแรกรุ่นคนนั้นก็คือนางมัทที สุบเบศดาบทผู้ให้ทานทั้งลูกทั้งเมียนั้นก็คือพระเวสสันดรนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวกับนักกุละมันดาว่า